การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือการมาหาที่พึ่งให้กับตัวเราทุกคนจะต้องมีที่พึ่ง <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีที่พึ่งแล้วก็จะว้าวเวยเหมือนคนอนาถา <Yeah. S 1> หาที่พึ่งเพื่อรู้จักเครื่องมือแล้วก็วิธีการนำออามาใช้แก้ปัญหา <Yeah. S 1> เพราะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีปัญหาก็ต่างนั้นอะ <laughs>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 มันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าเรายึดติดอยู่เนี่ยเราก็ต้องไม่เที่ยงตามเขาเป็นทุกข์ตามเขาเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ตามเขามันก็สุดท้ายคือต้องเป็นทุกข์อยู่ล่าไปจนกว่าเราจะมีสติปัญญารู้ความจริงว่ารูปนามขันห้าเนี่ยมันมีอาการเป็นอย่างไรธรรมชาติเป็นอย่างไรเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางในที่สุด ปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยทิ้งแล้วก็อยู่กับขันท่าแบบไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราขันท่าจะเป็นยังไรก็ตามเนี่ยติดเราจะไม่เป็นทุกข์เราอยู่ช่วยในการบริหารขันเอาขันท่าเนี่ทำประโยชน์ทำประโยชน์ได้สูงสุดเลยแ่นที่จะไปทาชั่วทำผิดศีลผิดธรรมเราเอามาปฏิบททัติธรรมเรามีรูปนามขันท่า ถ้าเราใช้มาเพื่อขปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าได้ใช้ขันธห้าของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาเนี่ย <c oughs> เกิดประโยชน์สูงสุดนอย่างพวกเราวันเนี้ยต้องขออนุโมทนานะแันทีจะเอารูปนามขันธห้าไปทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมก็มาทำประโยชน์ <c oughs> ประโยชน์ที่เราได้ <c oughs> เราเป็นคนแรกเราได้ประโยชน์แล้วก็คนต่อมาคือคุณพ่อคุณแม่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 ตนแล้เป็นที่พึงตอนอย่างพวกเราเนี่ยกำลังมาสร้างที่บึ่งตรงเนี้ยก่อนอื่นนี่เมื่อเรามาแล้วมีใครพอจะมีดวงตาเห็นธรรมไหม <c oughs> ต้องพูดดักไว้ก่อนบางทีเดี๋ยวเราไปพูดก็เดี๋ยวปลามาดคนที่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เป็นไรนะเนี่ยเรามีโอกาสเห็นธรรมได้ทุกขนาดจิตวันที่สามแล้วเป็นวันที่ค่อนข้างจะเครียดวันแรก ก็ยังตื่นเต้นวันที่สองตั้งหลักวันที่สาเริ่มเครียดถ้าพ้นวันนี้เราปลอดภัยนะเนี่ยวันที่เขาหิ้วกระเป๋าเหมารถก็คือวันนี้แหละเขาเรียกวันยานเกิดยานเนี่ยยานหอบเสือหอบหมอนเตรียมตัวกลับบ้านถ้าพ้นวันนี้ไปแล้วเนี่ยรับรองจะมีแต่การปล่อนคลายผ่อนคลายนี่แหละธรรมะก็จะปลาวกขึ้นในใจอดทนหน่อยอดทนอีกนิดนึงชีวิตจะประเสริฐนะวิธีการ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 เป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายนะก็ทั้งเรื่องแต่เมื่อวานวันซืนที่บ้านเป็นเรื่องสับสนวุ่นวายมันทําให้เราต้องซ่อมหมองเรื่องในอดีตถ้าเราไปคลุ่นคิดเท่ากับไปการตอกย้ำให้จิตเราต้องเศร้หมองหนักยิ่งขึ้นให้ทิ้งไปซะถ้ามันเผลอคิดขึ้นมาก็ให้มีสติรู้อ๋อนี่จิตมันคิดแล้วนะมันปรุงมันแต่งเป็นเรื่องอดีต อดีตคิดได้ถ้าเอามาเป็นครูสอนจิตสอนใจถ้าคิดแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าคิดดีกว่าลืมไปซะแล้วยิ่งอนาคตเนี่ยที่เราต้องคอยกังวลอยู่เนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันไม่จริงหรอกอนาคตไม่มีมีแม่อนาคตใครเห็นอนาคตบ้างพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีมันมีแต่เมื่อเราคิดใช่ไหมละ่ะ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 วิธีการปฏิบัติวิปัสนานี่มีหลายแบบรูปแบบมีมากมายโดยลมหายใจแล้วก็แบบเคลื่อนไหวอิเลยาบทย่อยและมีคำบริกรรมหลับตาลืมตาโอ้สรพัดอย่างรูปแบบการทำวิปัสนานแต่ไม่ทิ้งหลักคือการต้องมีสติรู้กายรู้จิตลงในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง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 แต่ถ้าเราเข้าไปติดปล่อยสติเข้าไปเพ่งท้องมันก็ยังเป็นสมถะแต่ถ้าเรามีสติเป็นผู้ดูดูท้องมันพองดูท้องมันยุบท้องพองท้องยุบเป็นสิ่งที่ถูกดูสติเป็นผู้ดูต้องแบบนี้นะถ้าวางใจถูกก็เป็นวิปัสสนาถ้าวางใจผิดก็เป็นสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเพียงแค่ทาให้จิตสงบ ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์พอมันหายสงบแล้วก็จะทุกข์เหมือนเดิมเวลาฟุ้งซ่านวุ่นวายก็หนีเข้าห้องพระเพื่อทาให้จิตสงบถ้าเราอยู่ที่ที่ทำงานมันฟุ้งซ่านวิ่งกลับมาที่ห้องพระที่บ้านให้สงบต้องวิ่งเข้าวิ่งออกไ่้จิตสงบนะยึดติดความสงบความสบายแต่ถ้าเว็นิพิธศนาอันนี้เพราะว่าความเห็นแจ้งที่ไหน ก็สงบได้ที่ไหนก็มีสติได้เพราะฉะนั้นทำวิปัสนาเนี่ยต้องทําด้วยความรู้ตัวเป็นหลักรูปแบบแยกๆอย่างที่เรากําลังทำเนี่ยการบาลจิตต้องสําคัญมากทีนี้มันมีเทคนิคอยู่หน่อยหนึ่งว่าขอเติมอยู่หน่อยหนึ่งว่าก่อนที่เราจะใช้คําบริกรรมเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ตัวก่อนนะให้รู้ตัวก่อนแล้วค่อยมีคําบริกรรม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 รู้แบบสดๆเนี่ยเป็นตัวปรามาัดต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะมีคาบริกรรมผสมว่าได้ยินนอได้ยินนอเวลากายมันปวดกายมันปวดเราต้องรู้สึกตัวก่อนกับความปวดสติมา ก, ก่อนแล้วค่อยใช้คาบริกรรมปวดนอปวดนอเพราะคาบริกรรมก็เป็นสมมติเป็นบัญญตัติแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปรามาตัติธรรม เวลาจิตมันคิดให้รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยมีคำบริกรรมมาคิดหนอคิดหนอททำอย่างงั้นไหมจิตได้สัผัดของกินก่อนไงแล้วค่อยเข้าสู่แดนแห่งความสมมุติต้องรู้ตัวก่อนในว่าในสมัยที่พุทธเจ้าเทศกันแรกประถมะเทศนาเป็นวันอาสาหาบูชาใช่ไหมท่านเทศกันแรก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 บรรลุเป็นพระโสะดาบันคุณเจ้าสันเสริญว่าอัญญาสิวัตกโกทันโยอัญญาสิวัตกโกทันโยโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญะรู้แล้วหนอทําไมท่านเทศแบบนั้นเพราะว่าต้องรู้ก่อนแล้วค่อยหนอไง <c oughs> ต้องรู้ตัวก่อนแล้วค่อยมีหนอใช่ไหมแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคนิดเดียวนะให้รู้สึกตัวแล้วก็มีหนอ และต่อไปเชื่อว่าไม่ต้องใช้คำเริกรรมมันหนอก็ได้มันลัดเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอะไรก็ได้แต่ใหม่ๆต้องรู้สึกตัวแล้วก็มีหนอเป็นการตอกย้าอีกทีหนึง่งว่ารู้จริงรู้จริงนะ ม, มันต้องเป็นลำดับที่นี้มีใครเป็นคนจีนวะอ้าคนจีนหนอไปว่าอะไรหนอแปลสองเพราะนั้นหนอแปลสองต้องรู้สึกตัวกว่อนนะหนึ่งแล้วก็ต้องให้หนอสอง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 ถ้ารู้รูปรูมนามทันปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดญาณปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามเนี่ยมันเกิดดับนับไม่ทันก็ตั้งเห็นมรรคผลนิพพานอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเพียงเดียรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องลงในรูปในนามเนี่ยมันจะทันปัจจุบันต้องทันปัจจุบันขนาก่อนเฉพาะหน้า เดี๋ยวยานปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะแยกรูปแยกน้ำแยกกายแยกกิจเห็นรูปเห็นน้ำเป็นไปรักเกิดดับก็ต้องเห็นมรรคผลนิพพานไม่ธรรมดาโดยเพราะการเห็นรูปน้ำเกิดดับเนี่ยพระองค์ท่านสนเสริมมากถ้าใครสามารถเห็นรูปน้ำเกิดดับแม้มีชีวิตเพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่า คนที่มีชีวิตตั้งร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นรูปนามเกิดดับเลยใครเห็นบ้างไหมรูปนามเกิดดับมีครูอาจารย์เคยเล่าว่าท่านไปเป็นวี่ปรึกษาาจารย์ในคอร์สปฏิบัติคอร์สหนึ่งท่านก็นั่งพูดนั่งเทศเกี่ยวกับเรื่องทางสายกลางเนี่ยให้โยคีฟัง พอเทศจบท่านนั่งนิ่งๆนั่ ง, น, งนิ่งอยู่ต้องนานโยคีก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นท่านจงไม่เทศต่อสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าอ๋อไอ้ที่อาตมาหยุดเนี่ยคืออาตมากำลังรอพระอริยะจะเกิดขึ้นรอเผื่อจะมีพระอริยะมาในช่วงนั้นเรามีไหมเมื่อกี้ก็นิ่งหนึ่งพักหนึ่ง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 คืออุปสรรคทางกายอุปสรรคทางจิตไหนใครไปฏิบัติมาสามวันแล้วเนี่ยยังไม่พบอุปสรรคเลยไหนใครปฏิบัติไปมีแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์เลยไหนใครไม่ได้พูดอะไรเวลาผมชวนคุยเนี่ยถ้า ง, งเงียบๆเนี่ยผมก็รู้สึกต้องพินาตัวเองนะไม่รู้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 ท้อถอยอยากกลับบ้านสงสัยมันย่อมมีกับทุกๆคนนะ <c ười> คือเป็นเรื่องของกิเลสอะ <c ười> เรื่องของกายจะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมของจริงถ้าเรื่องจิตเนี่ยจะเป็นของกิเลสมากกว่าถูกไหมจิตมันนากิเลสมากายไม่นำมาหรอกแต่กายเอากิเลสไปใส่ให้จิตจิตเอากิเลสใส่ให้กายก็มีนะ <c ười> <c ười> เพราะนั้นเลือกอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ความสุขสุขสุขนอสุขหนอเ น, นีนนะ่นั่นผิดทางแล้วหนอหรือไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งคิดแต่พืพ้นไม่เห็นตัวเราเองเลยผิดทางแล้วนะแต่ถ้าใครปฏิบัติธแล้วเจอความทุกข์นั่นถูกต้องที่ถูกเพราะอะไรพระุทธองค์นั่นตรดสว่ามีทุกตัวนั้นที่เกิดขึ้นมีทุกตัวที่ตั้งอยู่ มีทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดได้มีดับไหนใครมีแต่ความทุกข์เวลาปฏิบัติไม่กล้าบอกนั่นแหะท่านมาถูกทางแล้วอยากเกรงใจเรื่องความทุกข์ใครจะมาทุกข์เกินผมในตรงนี้ร่างกาย <laughs> อยากเกรงใจอย่ามาเห็นว่าโอ้ยจังเหรอผมไม่มีทุกข์หรอกอย่ารู้ถูกความทุกข์ที่มีอยู่ในกายผมเพราะฉะนั้น <laughs>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 เหมือนคนติดอยู่ในถ้ำหาทางออกไม่เจอแล้วความคิดมันพาอะไรมาล่ะพ า, าความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาวิต ก, กังวลหวาดระแวงน้อยเนื้อต่ำใจนั่นล่ะคือความคิดนำมาแล้วเราก็ขาดสติเข้าไปเป็นผู้คิดเลยแต่การจรสติประฐานที่เราฝึกเนี่ยฝึกให้สติมันตื่นรู้ตื่นรู้ไว้รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆ บ, บ, บ, บริกรรมบ่อยๆ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 กับพระอุปสปรครคเพราะความทุกนี่แหละเพราะความทุกขทํำเราต้องเกิดศรัทธาถ้าผมไม่มีความทุกเนี่ยผมไม่สนใจ เ, เรื่องธรรมะ <c oughs> ไปดูทีวีดีกว่า <c oughs> แต่นี่ความทุกบีบคั้นจึงเกิดศรัทธาความทุกขเป็นบทเรียนบทแรกให้เราได้ศึกษาเนี่ยคือเรื่องของความทุกอย่าง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 การใช้ชีวิตเป็นเรื่องความลำบากแล้วยิ่งมาปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วเลยเลยอยากจะพ้นทุกข์ก็ศรัทธาวิ่งกระหาธรรมะเอาไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สหรือมีครูบาอาจารย์คอยประกบแบบนี้หรอกปฏิบัติอยู่ที่บ้านแห้งแล้งเหลือเกินทาอยู่ที่บ้านเวลามันเกิดความทุกข์วันเแค่ลวก็ต้องอดทนทาอยู่ที่บ้าน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 นอนเจริญสติเมื่อก่อนใช้คำบริกรรมนะนดูท้องพองยุบพองนอยุบหนอหนอลับตาด้วยนอนไปฏิบัติแล้วหลับตาเนี่ยในช่วงบ่ายโมกว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเพื่อนเก่ามาแล้ว <c oughs> ความง่วงมาแล้วพวกเราเนี่ยนั่งไปฏิบัติง่วงไหมเดินไปปฏิบัติง่วงไหม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 การวนถึงอนาคตสารพัดอย่างเปรียบเทียบชีวิตของเรากับอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันมากอดีตชีวิตเราดีปัจจุบันเราแย่มองคนนู่นก็เดินได้คนนี้ก็วิ่งได้เอเรามันนอนได้อย่างนี้โอเครียดมากเลยทุกเพราะความคิดมันแปลกเวลามาเกิดความคิด เ, เราก็มองเออดีนะมันคิดก็ดีเนาะมันกระตุ้นจิตให้มันตื่ น, นจะได้ไม่ง่วง มองความคิดในแง่ดีซะเออดีละที่มันคิดมันจะได้ไม่ง่วงเพราะความคิดสงบมันก็ง่วงง่วงกว่าดีกว่าคิด <c oughs> มองอุปสรรคในแง่ดีซะเราจะได้ไม่ต่อต้านมันน อ, อมันคิดกว่าดีจะได้ไม่ง่วงง่วงกว่าดีจะได้ไม่คิดถ้าจิตเรารู้จักยอมรับสิ่งที่มันปลากรวกขึ้นเนี่ยจิตมันก็จะไม่เครียดมันจะไม่ทุกข์อาศัยการปฏิบัติเนี่ยนอนปฏิบัติอย่างเนี้ยอาศัยความอดทนอดกลั้น เวลาเจออุปสรรคก็มองอุปสรรคในแง่ดีเอาอุปสรรคที่มันเกิดเนี่ยเอาไปสิ่งที่ท้าทายความสามารถดูซิเราจะทําได้ไหมเนี่ยท้าทายความสามารถไม่อ่อนข้อต่ออุปสรรคอุปสรรคมาท้าทายความสามารถเราต้องทําได้ไม่เป็นไรหลอกเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กเนี่ยแค่ง่วงนิดไม่เป็นเรื่องเล็กเดินไม่ได้ในเรื่องใหญ่กว่าอมองมองให้ความทุกข์เนี่ยมันเล็กน้อย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 มันฟุงน้งซ่านหน่อยก็ไม่ชอบมันเมื่อยหน่อยก็ไม่ชอบมีแต่ไม่ชอบไปแต่ต่อต้านแล้วจิตมันจะนิ่งได้ยังไงล่ะแต่รู้จักยอมรับว่าเออเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองว่าธรรมดาจิตมันก็ไม่เที่ยงยงนี้แหละกลายก็ทุกอย่างอย่างนี้แหละมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาซะมันต้องเป็นการปล่อยวางสงเคราะห์ลงในพระไตัลักเลยโอ้อานิจจังทุกขังอนัตตารู้แค่สามอย่างเนี่ยพอเลยรู้ว่าทุกอย่างเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างเนี่ย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 เผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่ถูกใจรู้จักวิธีการวางจิตวางใจไม่ให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้แหละได้รู้จักวิธีการวางใจเมื่อมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นในใจเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรด้วยใจไม่ทุกข์นั่งกายปฏิบัติย่อมมีอุปสรรคต่างๆนานาตรงนี้แหละให้เรารู้ทันด้วยใจไม่ทุกข์ทำยังไงเลื่อนไปการที่มีสติรู้แล้วก็มีปัญญาละ เราก็จะไม่ต้องแบกความทุกข์รุกสักต่างๆการเจริญสติมันทำให้เราเนี่ยตื่นตัวนะปลุกให้จิตใี่มันตื่นตัวที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับปัญหาทำให้เรารู้ความจริงของชีวิตแล้วก็โลกแล้วก็สามารถยอมรับความจริงอยู่กับความจริงได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อ่ะตัวนี้คือผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติเนยไม่ต้องไปถามใครถ้าทาผิดมันจะเครียด อึดอัดเบื่อสงสยัยฟุ้งซ่านทอแท้หมดกำลังใจนั่นคือทําผิดถ้าทําถูกต้องเนี่ยมันจะเบาเบาสบายๆเบาเบาแบบผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายจะเบาจะไม่เครียดแล้วที่สำคัญก็คือความทุกข์เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆทุกข์ลดลงแล้วก็ทําได้ถูกต้องถ้ายิ่งทํายิ่งทุกข์แล้วก็ต้องปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วต้องสอบอารมณ์ใหม่มันทาไมยิ่งทํายิ่งทุกข์ ขนะลคือดูได้ตรงนี้แหล ะ, อะเอาละเนี่ยก็อนุโมทนากับโยคีทุกท่านที่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ก็ต้องขออวยพรให้กับโยคีทุกทุกคนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานจงมีความเจริญในธรรมมีสติสัมปชัญญะที่ตื่นรู้ต่อเนื่องกตลอดทั้งวันจนเกิดเป็นปัญญามีดวงตาเห็นธรรม นำจิตใจใพ้นปัิจาความทุกข์แล้วก็พบความสุขอันไพยบู์คือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ